ฟางคําแนะนำในการจเจริญกรรมฐานสาหรับตอนนี้จะขอแนะนําตามลําดับของกรรมฐานที่เล้วมาเราแนะนําก็จะพาะจุดเรียกก็เรื่องแบบสู่โจมใช่ไหมการปฏิบัติกรรมฐานที่เรียสมาธิสมาธิแปลว่กาการตั้งใจถ้าตั้งใจไว้จุดใจจุดหนึ่งเวลานั้นนรี่เรี ย, รยวสมาธิ ยามเวลาเรากินข้าวตั้งใจกินข้าวเป็นสมาธิเราตั้งใจเดินทางไปไหนโดยเฉพาะการตั้งใจอยู่ก็เป็นสมาธิเนื้อคำว่าสมาธิมันมีหลายชั้นด้วยกันการปฏิบัติแบบเนี้ยถ้าเราท่านนีิเดินมโนยุตินะถ้าทําตามนี้ได้กัแนแด่นั้นได้มโนยุติของทุกคนจะแจ่มใสามากสมาธิขั้นต้นเฉลียวขาดิกสมาธิ คำว่าขานิกาสมาธินี่แปลว่าสมาธิเล็กน้อยมีข้ออย่างยิง่งล ำ, ำดับกรรมฐานนี่พระต้องจําให้ได้นะพระได้ต้องจําให้ดีวัน <c oughs> เดียวถ้ามีใครเข้ามาถามเข้าจะตอบผิดตอบถูกแต่ว่าสมณ์มันสนักไม่สอนอลำดับแรกที่เรียกว่าขานิกา ส, า, าสมาธิแปลสมาธิเล็กน้อยคําว่าสมาธิเล็กน้อยหมายความว่าการทรงตัวของสมาธิเอาดีไม่มาก สมมเราภาวนาอยู่ก็ดีถ้ารู้ลวงแม่ใจก็ออกก็ตามจิตจะไม่ทรงตัวนานอย่างรู้ลวงแม่ใจเข้ารู้ลงแม่ใจออกประเดี๋ยวจิตก็คิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกถ้าภาวนาอยู่พาวนาไปพลวนาไปประเดี๋ยวก็ลืมแล้วจิตจะอึนเข้ามาแทรกอย่างนี้เรียกว่านิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยแต่ว่าจะขอแนะนําย้อนต้นสนิทอย่างนี้พูดลายไป ก่อนที่ทุกคนจะเริงกรรมฐานจะทำสมาธิก็รรยายตามวิปัสสัญญาณก็ตามตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในทรงบริกาสูตรพิใตอ ร, ร์นิโคทัพปิพาชกอันดับแรกให้ทุกคนตั้งใจแผ่เมตตาจิตเป็นอาจรวันตั้งกวงอันนี้สำคัญมากเนี่ยความเป็นทิพย์ของจิตจะผองใสหรือไม่ผองใสอยู่ที่ตรงนี้เป็นจุดใหญ่ จะตั้งใจคิดว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครใครเขาจะเป็นศัตรูกับเราแล้วกระช่างเขาอะไรแต่เราไปคิดเป็นศัตรูใครก็คนก็ดีกับใสก็ดีไม่เป็นศัตรูใครทั้งหมดเราจะมีความรักคนและสัตว์อืน่นนอกจากตัวเราเสมอที้ตัวเราอาจจะมีความสงสายเขาเหมวยนกับสงสารตัวเราถ้าจิตคิดจะเรือร่องอารมณ์ก็โกรธอารมณ์ก็เป็นศุขจิตใจก็มีความเยือกเยน็น หลังจากนั้นแล้วก็ตั้งใจระงับนิวรห้าไปการอันนี้สําคัญมากทั้งว่านิวรนี่แปลว่าคุณใช้เครื่องความดีเแื่อแปลว่าจิตเรามีเลสิธรรมปั ญ, ญญาให้ถอยหลังถ้าขณะใดนี่เราเกิดกับจิตเวลานั้นจิตจะไม่มีสมาธิจะไม่มีปัญญาขาดทั้งสมาธิขาดทั้งปัญญาแต่เวลาที่จะเด้กรรมฐ า, านนั้นเวลาปกติก็ตาม ถ้าต้องการให้ความเป็นทิพย์ของจิตมีขึ้นต้องพยายามนะงับมีวรมีวรได้มีห้าอย่างขึ้นหนึ่งจิตรักรูปสวยเสียงเพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพลิดการที่สองอารมณ์ไม่พอใจปการที่สามความโม้วงปการที่สี่จิตฟุ้งซ่ายเกินไปปรการที่ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ ทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดยหนึ่งก็ตามถ้ามีในจิตธรรดา ญ, ญาติโยมก็ถวรยสัทว์ในเวลานั่งสมาธิของท่านจะไม่มีและก็บัญญาที่คิดได้ในปาสนาใจก็ไม่มีฉะนันขอธรรดา ญ, ญาติโยมทุกคนจงนับระวังคือการระวังนิวรณ์วิธีระวังก็ไม่ยากแต่ว่าถึงแม้จะระวังยังก็ตามมันก็ต้องใสกจนได้วิธีระวังนิวรณ์คือหนึ่ง เราสนใจก็ลงเข้าออกให้ใจเข้าออกโดยเฉพาะอะไรไปจะเกิดขึ้นแบบไหนก็ตามเราจะไม่สนใจจะสนใจจะก็ลงหายใจเข้าออกกับคำภาวนาถ้าจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้ธรรมะทะก็ได้สัมมาทังก็ได้ปีสุขโตก็ได้อะไรทั้งหมดภาวนาได้ทุกอย่างตามใจชอบแต่ว่าการภาวนาถ้าเราคิดว่าจะภาวนาแบบไหนให้ตั้งใจจะภาวนาแบบนั้น อย่างใช้คําว่าพุโทโธก็พุโทโธตลอดไม่ใช่ไปถึงธรรมสังโคลั้เลยไปถึงธรรมโอหรือสังโคอย่างนี้แสดงว่าจิตใจเรงผู้งสานต้อง ค, มคุมพุโทโธไว้ภาว น, นวาภาวนานามะปะทะเขอยู่แค่นามะปะทะขณนะได้ที่จิตรูล้ลมไม่ใจเข้าออกแล้วจิตรูคนนะ้คำบรรณาขณะนั่นชื่อว่าจิตมีสมาธิแต่สมาธิแบบดีสักเพียเดียวหนึ่งมันก็พลาดท่า วิวรณ์ตัวที่สีส่เราแทรกนั่นคืออุทะจารุปัจจานุโ้ซ่านเราคิดนั่นคิดนี่เข้ามาแทรกแทนแคิดนั่นคิดนี้เข้ามาแทรกแทนพอเรารู้ตัวเ ร, เริ่มจับลมหายใจเข้าออกใหม่ภาวนาใหม่อย่างนี้ถ้าเรียกว่าขันธิกาสมาธิหรือสมาธิเล็กน้อยมันอาจจะมีกับคนทุกคนการสรงสมาธิตามความแน่นนอนไม่ได้ แต่ถือว่าให้จิตนิ่ง ส, สบายตลอดเวลาเนี่ไม่ได้แน่นอนท่านคร์ทอจะได้ขอบรรดาทุกคนให้สนใจคือพอใจในอารมณ์ที่ทรงอยู่ในขนาดนั้นอารมณ์ประสงค์แค่ไหนพอใจแค่นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เล็กน้อยที่เรียกว่าคณิกรสมาธิถ้าถามว่าคณิกรรสมาธิจะมีผลประมาณขนาดไหน ก็ต้องขอยกตัวอย่างให้แกวันดาเจ้พาพุทธบริษัททราบตัวอย่างก็มีมาในพระธรรมบทพุทธกานิกรีเพราะว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศสดาสมมาสรมพุทธเจ้าจะทรงไปทนอยู่เวลานั้นสาวกคนสำคงญขององค์สมเด็จพระโรงผู่ือทธกานากนทิปการเศรษฐีท่านเป็นมหาเศรษฐีและมีลูกจ้างเป็นคนใช้มาก บางเอินในเวลานั้นก็มีคนจนคนหนึ่งเขาเรียกว่าทุกขตะจนมากเขาเรียกว่ามีข้าวกินไม่ไม่ทุกวันบางวันก็ได้กินข้าวบางวันก็ไม่ได้กินข้าวไม่มีงานจะทำก็มาตั้งใจมาเป็นลูกจา้างพออเป็นกะเศรษฐีเทวาาเวลาตอนตอนสายๆวัะ น, นั้นยังไม่ได้กินข้าวมาถึงก็มาอาสาสมัคร ขอเป็นคนรับใช้เป็นลูกจ้า ง, งาถ้าเราพิจารณสติก็บอกว่างานสำหรับรับจ้างอย่างอื่นไม่มีมันเต็มหมดขาดตาแหน่งเดียวคือคนตัดเฟืนคนนั้นแกคิดว่าถ้าเรามีข้าวกินทุกเวลาได้พอใจแล้วพระตาโบตีเราอยู่เราไม่ได้กินข้าวทุกเวลาไม่กินมั่งไม่กินมั่งค่าจ้างเท่าไรไม่มีความสําคัญพระโจนก็ยอมรับว่าจะเป็นลูกจ้างตัดเฟืน ในเมื่อเขาแนะนำท่า น, นมาฮัสดียอมรับให้ไปรูปแจ้างแล้วเธอก็ถือขวายเข้าป่าเลยยังไม่ไกินข้าวเช้าด้วยความดีใจเข้าป่าไปใต่ปืนพอตอนเย็นก็กลับมาบ้านแล้วก็วันนั้นเป็นวันพระวันพระบ้านท่านาอริยาเศรีทุกคนในว่านจะต้องรักษาโบสถ์ศนี แม่แต่เด็กที่กำลับบงกินนมอยู่สรรมหาสติยังให้เด็กบ้วนปากคือไม่กินนมแม่ให้กินน้าพึ่งและน้าตาลแทนก็เป็นว่าในคนรั้กลับบ้านในตอนเย็นแม่ครัวก็หวงข้าวเฉพาะเพียงคนเดียวเดี <c oughs> ยวสงสัยว่าในตอนเช้าตอนที่มาสมัครการเห็นคนมีจนวนมากบางคนก็ร้องขอข้าวบางคนก็ร้องขอกลับข้าว เสียงแซ่ดไปหมดแต่ตอนเย็นวันนี้ค น, คนทั้งหลายไปไหนหมดก็เลยถามแม่ครัว่าทำไมาเวลาเชา้าจะเห็นคนขอข้าวบางขอกลับบางเยอะแยะมากมายเสียงเสียงเสียงเสีแซ่หมดแต่เวลาเย็นเขาไปไหนหมดแต่ตทําไมมีเฉพาะกับอาหารที่เฉพาะใช้นคนเดียวแม่ครัก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถศรีน <c oughs> ตามโปรติวันไปข้าวโมดีสิบห้าข้าวโมดี คนที่บ้านนี้ทั้งหมดธรรมาหาสตีให้ลักษาโมสดาสินเกิดสิ้นแปดเขาไม่จกินข้าวตอนย็นกันในคก็ั้นก็ถามว่าโมสถศีินเป็นยังไงแม่คน้บอกว่าฉันไม่เข้าใจถ้าอยากจะมีความรู้ จ, จริงๆให้ไปถามธรรมหาศริฐี่เลยตั้งเลยเข้าไปหาธรรมหาธรรมหา ส, าหาสริสถีเว้าโมสถศีิเป็นยังไง ท่านมหาบุรุษี่ยบว่าโอบสุตสินมีสุขาบทแปดตอนทียากโยงเข้าใจแล้วแต้องรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นสําคัญอันนี้เขาว่าถามว่าอันดสอบอโอบสตสินท่านมหาบุรุถีบอกว่าอันดสโอบสตสินคือว่าสี้เลยในสุขติยันติคนที่มีสินแล้วมีความีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เปิดอยู่ใสุขสุติแห่งโลกสวรรค์สี้เลยและโภก็สมมาทา ตายแล้วจะเป็นเวดาหรืเป็นนางฟ้าก็มีนิสิตุสมบัติมากนำพระธามาไป็นคนก็เป็นไปเป็นคนยากจนเป็นคนมีสมบัติมากศีลในีิพุติังยันติศีลเในปัจจัยเกิดนี้เข้านิพพานได้รวดเร็วคือโดยง่ายเมื่อเขาฟังแล้วก็มีความสงสัย ต, ตั้งใจขอสมาทานสิบแปดโลสัสสินสมาหาสติแล้ให้สมาทานบทตั้งโลสัสสินในเมื่อเขาสมาทานแล้วเขก็เลยไม่กินข้าวในชเวล า, ลาของเขา เจะจัดไปให้อย่าลืมว่าคนทํางานหนักแล้วไม่กินข้าวกลางวันได้คาไม่ความไม่กินข้าวกลางวันนี่เขาเคยอดไว้แล้วแต้ถ้าว่าวันนี้ ง, งานหนักตัดเงินมาเขาไม่กินข้าวตั้งใจแล้วสารบรรูรณาสิทธิความเต็มใจไม่ศรัทธ า, าแท้ก็ไปพักในที่พักของตนแต่ว่าพอเวลาดึกเข้าก็ปรากฏว่าอารมณ์กำเริบอาการเสียแทงก็เกิดขึ้น แต่การเสียแทงเกิดขึ้นเขาก็ตั้งใจคิดว่าความดีขอโทษนรเมศรีมันลืมบอกไปเขาถามธรรมหาสติว่าตามธรรมดารักษาโบสดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่ถ้าเวลางำวันเขาไม่ได้รักษาถ้าจะรักษาเพียงครึ่งวันเยพาะกลางคืนตอนเย็นถึงตอนึตอนเช้าได้ไหมธรรมหาสติบอกครื่องวันก็ได้ให้ตั้งใจรักษากแล้วกัดเมริโสมันกัน ในเมื่อเขาตั้งใจรักษาแบบนี้นก็ปรากฏว่าตอนดึกลมมเสียดแทงขึ้นในเมื่อคนใช้คนอื่นเห็นข้าวก็มาบอกสมหาเศรษฐีสมหาเศรษฐีก็ น, นำก็เข้าใจว่าเป็นเพราะเขาอดข้าวตั้งแต่เช้าเย็นเย็นไม่ได้กินให้เพิ่มความเหนื่อยมากก็นำยาเพื่อการอาการเสียดแทงไปด้วยนําอาหารที่มีรสเลิศเลิศที่ไม่ใช้สมหาเศรษฐีกินเองด้วยนําไปให้ ไปขอร้องเขากินข้าวเขาก็ยืนยันว่าความดีชั่วงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขาไม่สามารถจะทําได้ตอนนี้เขารักษาเพียงครึ่งวันถ้าเขาจปล่อยสินเขาขาดเขาจะไมย่ยอมเขายอมตายดีกว่าถ้ามหาเศรษฐีอ้อนวอนเพื่อเท่ก็ตามเขาก็ไม่ยอมเขาตั้งใจรักษาสินโดยเฉพาะไม่อยอมกินข้าวแน่ยืนยานก็เป็นเพราะว่ า, ามหาเศรษฐีกระจนใจตงรงกลับ เขาก็ทําต่อการเสียดแทงพระอาศัยการรักษาโบตัสสินตั้งใจนึกถึงสินบ้างอาการเสียดแทงเกิดขึ้นบ้างอาการเสียดแทงเกิดขึ้นถึงสมาธิเราสลายตัวคลายตัวไปอาการเสียดแทงเบาลงจิตใจก็ตั้งใจนึกถึงสินอันี้เรื่องสีลาณสติธรรฐานก็เป็นว่าเขาไม่สามารถจะทรงสมาธิเป็นอุปจารสมาธิทั้งผืนชาญได้เขาได้แค่อุปนิการสมาธิ ก็ได้สมาธินึกถึงสีเดียวเดียวอาการเสียแรงก็เกิดขึ้นอน่ึกๆก็จนนึกถึงสีก็หายไปพอาการเสียแรงคลายทั้งหมดนึกถึงสีนี่เรียกสมาธิพอ ถ, ถึงเวลาเช้าตู่พระหลวงเขาก็ตายหลวงตายจากความเป็นคนในฐานะทศสาวโบสดครึ่งหนึ่งถ้ามีสมาธิทศสาวโบสดแค่เล็กน้อยว่าได้ได้อยุดหายหายได้ได้ไดหายหาย แต่ถึงขน้นก็ดีเราตายอย่างความในคนก็ไปเกิดเป็นลูกเกษตวดาในป่าชัดมีมานสวยๆด็งามมากลูกเกษตวดาในตามมารีไม่เคยบอกมีมีบริวารไม่มีบริวารแล้วต่อมาในระหว่างนั้นก็ปรากฏว่าเป็นเวลาที่พระเจ้ากำลังเสด็จอยู่แถวเมืองนั้นเวลาไ้นก็มีบรรดาท่านฤาษีหกสิบองค์บรรดาบทนะ เวลานั้นระเจ้าบัดใหม่ๆเพราะว่าศาสนายังไม่กระจายไปแต่คนที่ความรู้จักคําว่าพรุทธเจ้าจะมีแต่ยัหาตรงพระเจ้าไม่ได้มันได้ดูสีต้นไายเดียวว่าต้นไม้ต้นใหญ่ที่รุกเถวุตาอยู่เห็นไปนต้นไม้ที่มีความมีความงามมากมีใบเนใบหนามีกุ่มใหญ่เป็นที่น่าอาศัยย <c oughs> <c oughs> ื่นเข้าไปอาศัยคนต้นไม้เพื่อความร่มเย็น ดาียงตะวบบันดาวีทั้งหลายแล้วนตั้งใจยไปบ้านมหาเศรษฐีสาคนเพราะว่ารมหาเศรษฐีทั้งสคนนี้หมนไว้ว่าเวลาออกพรรษาเขามอยู่ใกล้ๆบ้านเวลาจำพรรษาเขาอยู่ในป่าทานี้ในเมื่อเสีนล่งพักพอสบายใจคนหน้าฤศีก็มีความรู้สึกว่าต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่พุ่งสายใหญ่มากมีร่มเงามาก น่าจะมีเทวดาที่มน능ภาพมากเสียงก็ติดอยู่งนึกในใจว่าเวลานี้พวกเราเดินทางมาฝ่าแดดฝ่าลมร้อนมีความร้อนจัดมีความกระหายในน้ําถ้าเทวดาให้น้ำํำไยพวกจะดีมากพัวก็เทวดาอลั่นมหาโลกตาก็าจึงบรรดาห น, น้ําใสสะอาดให้เจ้าสีทุกคนได้กินได้ดื่มถ้กินน้ําดืม่มน้ําเสร็จมีความสุข เคยนึกต่อไปเวลานี้มาเวลานี้เริ่มมาในความเหลื่อยยากอดอาหารอัศจรรย์เช้าถ้าได้ผลไม้บริโภคจะดีมากนี่คือการอิ่มหนำเทวดามีกำลังขึ้นเทวดาก็บรรดาลผลไม้ที่มีรสเลิศให้ปลายกดกระสีทุกคนโดยีเจ้าองค์ก็กินอิ่มหนําำระเสร็จว่ากิงเสร็จแล้วก็นึกต่อไปอีกไปจบเรื่องของคนนะ แต่กว่าเวลานี้เราเดินมามีเหยื่อใครมากถ้าได้อาบน้ําก็จะดีเทว ด, ดาก็บรรดาลสกดพวกนี้เกิดขึ้นมีน้ำใสสะอาดเจริญก็อาบน้ำมีความสุขแล้วต่อมาเมื่อขึ้นพระละกนึกใจใ จ, ใจตางคนต่างนึกว่าเทวดาที่ดดทเสึยสิทธิ์อยู่ที่ต้นไม้นี้ต้องมีอนุภาพมากนี่ฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะบรรดาษ น, น้ําบรรดาษผลไม้บรรดาสษน้าให้เกิดขึ้นมาได้ เราอยากจะเห็นเทวดาองค์นี้อยากจเห็นตัวเทวดาเขแสดงตัวให้ปรากฏแสดงตัวเองด้วยแสดงวิมานน้ปรากฏด้วยอิมานของเทวดาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกาะไม่ได้ตั้งบนยอดไม้เกาะกิงไม้นิดเดียวแต่อย่างนิดเดียวเห็นวิมานก็ใหญ่มากสวยสง่างามมากเทวดาก็สวยสงงามมากไมงได้ถามว่าเทวดาดูดูแต่ท่านท้าวเร์เซอร์ ถ้าเจ้าใหญกจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านทําบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีศักดิ์าใหญ่เมียนาดมากเมื่อเราต้องการน้ําก็บรรดาลน้ําให้ต้องการผลไม้ก็บรรดาผลไม้ให้ตัวการทุกโอบันใดนต้องการจะอาบน้ําก็บรรดาลอาบผุกันนี้ให้ตัวท่านเองก็มีเครื่องประดับสวยสดงดงามงดงามมากมีแสงสว่างมากมีมานก็ใหญ่โตมีความร่ำมาก อยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านทำบุญอะไรไว้เทวดาก็บอกว่าผมไม่อยากบอกครับถ้าผมอายพวกท่านพวกท่านดีก่าผมมากดูเทวดาจะสื่อถลายจะพาเราอ้อนวอนในที่สุดเทวดาก็บอกว่าเพราะว่าบุญที่ผมได้นี่เป็นบุญเล็กน้อยเพราะว่าผมเป็นลูกจ้างของนายบินฑกะเศรษฐีเขเป็นคนจนมาทํางานวันแรกวันทียินค่าทจังหวะของเราแล้วครับจะเรามันได้เมื่อกี้นี้นะ ในที่สุด ก, ก็าตายจากความเป็นคนเพราะสมาธิคือนึกถึงสิ่งเล็กน้อยคืึกถึงสิ่บ้างอาการเสียแทงครอบงำบ้างอาการเสียแทงคลายตัวไปก็นึกถึงบ้างอย่างนี้เร็วขเขารยวขนากสมาธิ <c oughs> มีสมาธิในสะีลานุติเพียงเล็กน้อยอาศัยที่มีสมาธิจะมีสิ่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ในครึ่งวันตายเลวมาเป็นลุ ก, กเทวดามีคนน้อย เทดาก็ชมเชยความเขาดเทวีก็ชมเชยความดีงเทวดาเทวาบอกว่าท่านมีบุญมากความเป็นดมีมาปรเป็นทานสมาบัติมาอนนี้บรรดาเทวีทไหลตาว่าเทวศีลไหลก็ถางบัตรวัวสัตวสศีที่ท่านมหาคติรักษารรมะนัเศรษฐีเป็นลูกศิษย์ของใครเทดาบอว่ารมหาศรีเป็นลูกศิษย์พองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณโคดม เราฟังคำว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น <c oughs> ตัวศีรษะหลายทีมีความตั้งใจอหญ่ใหญ่พระพทเจ้าจแล้วก็ดีใจถามเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนบิดาเขบอกอยู่เมืองข้างล่าน้องอาชีเมืองไอซบต่อเมืองไอบเพีพยงเท่านั้นบรรดาฤทธิมาเามาบิดาตัวศีรษะหลายก็พากระลุกหันหน้าไปทางเนินนั้นพาขกราบสามครั้งในความตั้งใจเพื่อขอเคารพ <c oughs> แล้วก็ลาเทวดาไป เวลาเทวดาไปแล้วมาไปพระองค์สมเด็จพระพุทธเจคือพระเจ้ามาแล้วพระเจ้ามาถึงกรุงเทพตอจบเดียวทั้งหมดเปพระราหันนีธรรมดาท่าพุทธบริษัททุกท่านคำนั้นสมาธิและว่าการตั้งใจและต้องรู้อเนกสงฆ์สมาธิไปด้วยเพราะคำสมาธิม่นไม่ใช่มาความนึถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวในรูปสติทั้งสิบอย่างจะอะไรก็ได้หนึ่งพุทธานัสตินึกถึงพระพุทธเจ้า สองธรร ม, มานุตตร์นึถือว่าธรรมสาังทานุตตรนึกถึงพระอาริยสองสี่สรานุสติ์น้กถึงศีลห้าจารานุตตรนถึงทางการบริจาค <c oughs> คิดอยากจะให้ทานก็ของเทวดานุตตรคิดอยากคิดถึงความดีของเท ว, วดาคุณธรรมทีทำคนดีคนเป็นเทวดาหกมรณาณุตตนถึงความตายอุปสมานุตตรนึกถึงคมนิพพานในอารมณ์ กายกระตานตตินตติดเนี่ยร่างกายจะมีการสานิสเซอและก็อานาบานุติดต้องระบายใ จ, จเขาออกเร <c oughs> ื่องความว่าการนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มัดาแต่พุทธวิสธรรม ท, ที่เราเคยถวายข้าวพระบินบาดแลาเนึกถึงการใส่บาตรก็เป็นสมาธิการเตรียมตัวเพื่อการใส่บาตรก็เป็นสมาธิ สมาธิอะไรๆใน ใ, นในจาขาดนุติกรรมฐานการสายบายกรรมสงฆ์ก็เป็นสังขารนิติด้วยท <c oughs> ่านบรรดาท่านผู้บริสุทธทุกคนถ้าสมาธิท่านมาเอิญมีเล็กน้อยก็ทุกคนอย่าหนักใจชื่อไม่ได้บุญก็ดูตัวอย่างทรามเทวดารุกเทวดาคนนี้เขาสามารถมีบุญมากเป็นลูกเทวดาได้ถ้าอยากจถามว่าลูกเทวดามีบุญน้อยก็ต้องขอตอบว่า เทวดาหางแถวก็ดีกว่าคนหัวแถวเพราะคนหัวแถวนี่จะดีขนาดไหนก็ตามก็จะมีความแก่จะมีความป่วยจะ ม, มีความเหน็ดเหนื่อยเหนดเหนื่อยในร่างกายมีการป่วยไข้ไม่สบายยามีการประท่าจารหัวใจจกใจถ้ามีความตายใ น, น ท, ที่สุดเทวดาจะไม่ยอมแม้ภูมิเทวดาเทวดาหางแถวก็ตามลูกเทวดาก็ตาม ยาลี้ถือว่าเป็นเทวดาม่ใช่อากาศเทวดาพระเทวดาต้องอาศัยต้นไม้วิมานแปะตน้นไม้จึงอยู่ได้ภูมิเทวดาวิมานติดพื้นดินเทวดาเทวดาชั้นต่ำวระเทวดาทุกชั้นมาเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงคือค่อขึ้นมาวันแรกก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่หลังจากนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเทวดาจะไม่ต้องกินอาหารเพราะไม่มีความหิว เทวดาจะไม่ร้อนเทวดาจะไม่หนาวเทวดาไม่มีการป่วยไข้มาสบายเทวดาไม่มีความแก่จะมีอายุถึงอายุไขวของเขาเนี่ยก็จุ ด, ดตีดวงดาวเทวดาจะไม่เป็นเทวดาชั้นต่ำก็มีความสุขถ้าทุกคนเป็นเทวดาถ้าบังเอิญทุกท่านที่ฟังอยู่เวลานี้คิดว่าชาตินี้เราจะไป น, นิพพาน เพราะด้าบางเอง่ยเกี่สมาธิของเรามันไม่ถึงสมาธิได้แค่ชนิจสมาธิแต่จิตของเราตั้งไว้เสมอว่าถ้าตายเมื่อไรเขาไปนิพพานเมื่อนั้นที่บางเอ่ยเวลาจะตายจริจิตไม่สามารถจะตัดเื่อารมณ์นี้ได้ถ้าจิตมันตัดไดจริงๆก็ไปไดจริงๆเหมือนกันถ้าเอาไว้เวลาจะตายแต่มอารมณ์มันจะเป็นเล็กน้อยก็ตามสมาธิไม่มากถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ดี มันเป็นทุกข์ที่เรามีความทุกข์อยู่เพราะอาศัยร่างกายมีความหิวเพราะอาศัยร่างกายมีการป่วยไข้ไม่สบายเพราะอาศัยร่างกายการประกอบการงานเพราะอาศัยร่างกายต้องมีความแก่เพราะอาศัยร่างกายตายก็เพราะอาศัยร่างกายถ้าร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกเราก็ไม่มีทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้เราต้องการจุดเหนือทุกข์นี้เพียงแค่นี้ถึงแม้สมาธิของท่านยิ่งเล่นเราจะสามารถปฏิบัานได้ ถ้าบังเอิญสมาธิของท่านไม่มาไปสมาธิเล็กน้อยแต่ไม่ไม่สามารถจะตัดแบกนี้ได้คิดอย่างเดียวว่าถ้าสมมติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเน้นถึงพระเจ้าเป็นพุทธรรมนิปริตก็เนึกถึงได้สงนึกถึงว่าธรรมก็ตามแล้วเน้นถึงทายการมาจากย่างได้ยหนึ่งก่อนหน้าจะตายนึกถึงบุญที่เราเคยทําแม้แต่อย่างเดียวคือเนึกถึงพระเจ้าก็ตามเพียงแค่นี้ตายจากความเป็นคนท่างตัวเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้า การกำลังใจก่อนจะตายเราตั้งใจว่าสมมว่าเราจะไปนิพพานแต่บังเอิญมันเป็นนิพพานไม่ได้ต้องไาเป็นเทวดาเป็นนางพญารือเป็นพรมแทนยังไม่ถึงนิพพานต่อไปไม่นานนภัสสีอัยก็จัดเป็นนภัสสีอธิยาเมตไตรจัดแล้ฟังเทศน์นภัสสอัยอย่างเร็วเลยเป็นแค่จบเดียวแล้วก็ได้เป็นมรสดาบันเป็นเทวดาหรือเป็นนางพญาหรือเป็นพรหมนี่เป็นมรสดาบัน ในเวลาพุทธเจ้าเทศนทิเากระดังฟ้าลมมีโอกาสฟังเทศน์ได้มากถ้าฟังเทศน์เพีงแค่ครั้งหนึสองก็เป็นพระารานิพนานได้เลยอรหันตรอาจรารย์พุทธบริษัททุกท่านใจขอทุกคนอยอมตั้งใจปฏิบัติสมาธิให้เข้าใจาว่าสมาธิมีหลายขั้นคุณเม่วามันจะเป็นสมาธิเล็กน้อยที่ว่าการจัดสมาธิประการภาวน า, าไปไปเดียวหนึ่งก็หายไปที่อะ่รก็ไม่ทราบก็ช่างมัน พอ ร, รู้ตัวก็ตั้งใจใหม่เรื่องต้นใหม่ตั้งใจภาวนาใหม่รู้ระไว้ใจคออใหม่อยพราะเดียวมันจิตพุ่งสร้างตัวช่งมันพอรู้ตัวใหม่ก็เริ่มใหม่เพราะจิตเรื่องสาคัญแล้วก็เลิกทําเพียงแค่เท่านี้ทุกๆวันความดีเยี่ยสร ะ, ะ, ะสมตัวมากแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทุกคนเห็นทุกขห็นเท่าทั้งการเกิดตั้งใจคิดว่าการเกิดอย่างนี้มันเป็นทุกครั้งไม่ตรงรันวีเรา ต, ต้องกานิพพานโดยเฉพาะ ถ้าก่อนจะตายบรรดาเทพพุทธบริสัทธ์ท่านใดอารมณ์นี้ทีตายยันย์จะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายในร่างกายและต่อไปสังขารุปเปิด้า ย, ยาันย์จะเกิดขึ้นความวางเฉยในร่างกายจะเกิดขึ้นคือไม่ต้องการอย่างไม่ต้องกา ร, ร่างกายอย่างนี้ถ้าร่มแบบนี้เกิดขึ้นมาอะไรถ่านตายมาอะไรก็ไปนิพพานมานั้น่บรรดาเทพพุทธบริษัททุกท่านวันที่ไปขอทุกคนตั้งใจสมาทานสีนสมาทานกรรทาน